เรื่องชัมพูกาชีวกะหรือชัมพูกาชีวกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเวลูวันทรงปรารบชัมพูกาชีวกได้ยินว่าในการแห่งพระพุทธเจ้ากสัส ป, ปะกระดุมพีคนหนึ่งสร้างวิหารถวายแก่พระเทระรูปหนึ่งบำรุงด้วยปัจจัยสี่เป็นนิสเป็นภิกษุกุลุ ป, ปะกะคือผู้มีตระกูลอุปถากประจํา ผู้ฉันในเรือนเป็นนิดต่อมาพระขีณาสพรูปหนึ่งพิกขาจาร์มากลังวันถึงประตูเรือนกุดุมพีนั้นเลื่อมใสในอุริยาบทนิมนต์แล้วอังคาดิโพชนะปราณีโดยความเคารพถวายผ้าสัตกะยอมให้นุง่งหาช่างกระระบบลงผมให้จัดเตียงนอนให้ภิกษุกุลุ ป, ปะกะเจ้าถิ่น เห็นสักการะของพระขีนาศพนั้นไม่อาจยังจิตให้เลื่อมใสได้ทำสักการะเห็นปานี้แต่ไม่ทำแกเราภิกษุไปสู่วิหารแล้วพร้อมด้วยพระขีนาศพนั้นด้วยนุ่งผ้าสักกะย้อมแล้วปลงผมแล้วนอนบนเตียงแล้วภิกษุเจ้าถิ่นไม่อาจอดกลั้นสักการะที่กระดุมผีทาแกพระขีนาศได้ครั้นเวลาเย็น ได้ไปสู่ที่พระเทรานอนอยู่ร้องด่าด้วยอาการสีอย่างว่าอาคันตุ ก, กะผู้มีอายุท่านเคี้ยวกินคูดประเสริฐกว่าบริโภคพัดในเรือนกระดุมพีท่านถอนผมด้วยแปรงตาลประเสริฐกว่าลงผมด้วยช่างกลระบกของกระดุมพีนำมาท่านเปลือยกายเที่ยวไปประเสริฐกว่านุ่งผ้าศาตกะที่กระดุมพีถวายท่านนอนเหนือแผ่นดินประเสริฐกว่าการนอนเตียงที่กระดุมพีนามาถวาย ฝ่ายพระเทระคิดว่าคนพาณิชย่าชิพายเพราะอาศัยเราเลยคือท่านก็มีเมตตาไม่อยากให้เขาได้รับกรรมพระเทระลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ได้ไปตามสบายแล้วฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นทำวัดในวิหารแต่เช้าตรู่เคาะระฆังด้วยหลังเล็บด้วยสำคัญว่าเวลานี้เป็นเวลาเที่ยวภิกษาแม้บัด น, นี้ภิกษุอคันตุ ก, กะนอนหลับอยู่เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆัง ดังนี้แล้วเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินธบาตตั้งใจเคาะระครังให้เบาที่สุดเพราะไม่อยากให้พระเทราตื่นคือตั้งใจแกล้งทันกระดุมพีถวายพัะตาหารแล้วถามถึงภิกษุอาคารตุ ก, กะภิกษุเจ้าถิ่นตอบว่าคงยังน้อยไม่ตื่นเพราะขณะที่ข้าพเจ้าทําวัดกวาดลานตั้งหม้อ น, น้ำใช้น้าฉันแม้เสียงระครังดังก็ยังไม่รู้สึก กูดูมีได้ฟังแล้วไม่เชื่อแต่ด้วยความเป็นบัณฑิตก็นิ่งเสียถวายพัดคืออาหารแล้วได้เอาพัดฝากภิกษุเจ้าถิ่นไปถวายภิกษุผู้อาคารตุกะด้วยภิกษุเจ้าถิ่นคิดว่าถ้านําอาหารไปให้เธอจากข้องคือติดอยู่ในที่นี้เท่านั้นจะไม่ยอมไปไหนคิดพลางก็เททิ้งบินทบาดนั้นในระหว่างทาง กลับไปสู่ที่อยู่และดูพระเทระนั้นในที่นั้นก็มิได้เห็นแล้วในการนิสมณธรรมที่เธอได้ทำไว้สิ้นสอง 0,000 ื่นปีไม่อาจเพื่อรักษาเธอได้เพราะเธอทำกรรมเห็นป่านนี้คือปฏิบัติธรรมรักษาศีลธรรมดีมาตลอดเป็นหมื่นปีก็ไม่อาจขัดขวางผลกรรมที่ทำกับพระอริยะได้ในการสิ้นอายุเกิดแล้วในอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมาก สิ้นพุทธันดอนหนึ่งในพุทธุทบทการนี้ด้วยผลบุญที่เคยทำไว้จึงได้มาเกิดในเรือนแห่งตระกูลซึ่งมีข้าวและน้ำมากแห่งหนึ่งในกรุงราชฤกษ์จำเดิมแต่การที่เดินได้เขาไม่ปรารถนาที่จะนอนบนที่นอนไม่ปรารถนาที่จะบริโภคอาหารเคี้ยวกินแต่อุจระของตนเอง มารดาบิดาคิดว่าเด็กยังเล็กไม่รู้เดียงสาจึงได้ทําไปอย่างนั้นแต่ต่อมาแม้เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ปรารถนาเพื่อที่จะนุ่งผ้าเปลือยกายเที่ยวไปนอนบนแผ่นดินเคี้ยวกินแต่อุจจาระของตนเองเท่านั้นมารดาบิดาจึงนําเอาไปฝากอาชีวะกะหรืออาชีวกนักบวชเปลือยขอให้บวชให้อาชีวกยังเขาให้บวชตั้งไว้ในหลุมประมาณเพียงคอ วางไม้เรียบไว้บนจะ ง, งอยบ่าทั้งสองนั่งบนไม้เรียบเหล่านั้นถอนผมด้วยท่อนแท่งแปลงตาบวชแล้ววันรุ่งขึ้นพวกอาชีวกจักนาไปสู่บ้านเพื่อพัดคืออาหารแต่เขาขออยู่ในที่พักอาชีวกละเข้าไ ว, แว้แล้วแล้วเราเเมื่ออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเปิดวัชกุฎีคือส้วมลงไปกินคูดนั้นเป็นคําด้วยมือทั้งสอง พวกอาชีวกส่งอาหารไปเพื่อเขาเขาไม่ปรารถนาแม้อาหารนั้นเป็นเช่นนี้อยู่บ่อยๆพวกอาชีวกอยากรู้ว่าเขากินอะไรเป็นอาหารจึงซ่อนตัวแอบดูและรู้ความแล้วว่าแอบลงไปสู่ซ้่มและกินคูดคือขี้โดยในยะก่อนนั่นแหละพลางคิดว่าอกกรรมหนักหนอะภาษ า, าวกของพระสมณโคดมพึงรู้ไซความเสื่อมจะมีแก่พวกเรา คิดแล้วจึงไล่เขาออกไปจากสำนักจากนั้นมาภายหลังเขามาอยู่ที่หินดาดก้อนหนึ่งที่มหาชนลาดไว้ในที่ถ่ายอุจจาระมีกระพังใหญ่บนแผ่นหินนั้นมหาชนอาศัยหินดาดเป็นที่ถ่ายอุจจาระเขาไปที่นั้นแล้วกินคูดกลางคืนกลางวันยืนมือหนึ่งเหนียวก้อนหินไว้ขาข้างหนึ่งพาดไว้บนบา่ายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่ มหาชนเห็นแล้วมีศรัทธาเข้าไปไหว้ถามแล้วทราบว่าท่านบําเพนตะบะยืนอ้าปากกินลมเป็นภิกษาหารต้องยืนขาเดียวหากยืนสองขาแผ่นดินที่ถูกเหยียบจากวันไหวถล่มทลายเพราะเดชแห่งตะบะอันแก่กล้าจึงยกเท้าข้างหนึ่งไว้ไม่นั่งไม่นอนจนชาวมาคตและอังคาเชื่อถ้อยคำและลึกระชนนำลาบสการาเป็นอันมากไปบูชา ถูกมหาชนรบกวนด้วยการอ้อนวอนจึงวางเพสัตมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอันมหาชนเหล่านั้นนำมาที่ปลายลิ้นด้วยปลายแห่งยาขาอาชิวกนั้นเป็นคนเปลือยเคี้ยวกินคูดถอนผมด้วยแรงตานนอนบนแผ่นดินให้การล่วงไปห้าบห้าปีด้วยประการชนนี้ พระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในการใกล้รุ่งด้วยพุทธกิจชัมพุกาชีวกนี้ไปปรากฏอยู่ในคลายพระยานทรงเห็นอุปนิสัยจากบรรลุธรรมจึงเสด็จไปโปรดเทวดาทั้งหลายคิดว่าพระศาสดาจะเสด็จไปสู่สำนักของชัมพุกาชีวกจึงยังฝนให้ตกเพียงครู่เดียวหินดาดได้สะอาดปราศจากมลทินและยังฝนดอกไม้ห้าสี ให้ตกลงบนหินดาดครั้นพระสัสดาไปถึงส่งตรัสทักทายถามถึงที่อยู่ของเขาส่งปู่ผ้าประทับนั่งที่เงื้อมผาครั้นตกกลางคืนปฐมยยามเท้ามหาราชทั้งสี่นิรมิตแสงให้สว่างในมชิมยามเท้าสกกะเทวราชได้เสด็จมาเฝ้าพระศาสดาแม้เท้ามหาพรหมก็มาเฝ้าในปัตชิ ม, มยาม ชัมผุกะเห็นแล้วจึงไปเฝ้าพระศาสดาและทูลถามทรงตรัสตอบว่าเท้ามหาราชทั้งสี่มาบำรุงเราตถาคตเพราะพระองค์เป็นพระราชาเยี่ยมกว่าพระราชาทั้งหลายเท้าสักกะเทวราชก็เป็นกิฬานุปัฏฐากมาบำรุงเราดุจสามเณรเป็นกัปปิยาการกะแม้เท้ามหาพรหมตถาคตก็เป็นยิ่งกว่าพรหม ชัมพูกะได้ฟังพลางคิดว่ามหาสมณะท่านเป็นผู้อัศจรรย์ส่วนตัวของเรามาอยู่ที่นี่ห้าสิบห้าปีไม่เคยมีเทวดาแม้สักองค์มาบำรุงพระศาสดา จ, จึงตรัสว่าชัมพุกะเธอหลวงมหาชนเป็นผู้อันตรพานในโลกยังปรารถนาจะหลวงแม้ซึ่งเราเธอกินขูดนอนบนแผ่นดินเปลือยกายเที่ยวไป ถอนผมด้วยท่อนแปลงตาลสิ้นห้าิบห้าปีแล้วกล่าวกับมหาชนว่าเป็นผู้กินลมเป็นพิษาหารยืนด้วยเท้าข้างเดียวไม่นั่งไม่นอนยังปรารถนาจะลวงซึ่งเราแมในการก่อนเธออาศัยทิฏฐิอันชั่วช้าลามกสิ้นกาลนานประมาณเท่านี้ชัมพุกะจึงถามว่าตัวเองได้ทำกรรมอะไรไว้ พระศัสดาจึงตรัสบอกกรรมที่เขาทําแล้วในการก่อนแก่จำพูกะความสลดสังเวชเกิดขึ้นแล้วแก่เขาฮิริโอตตะปะปรากฏแล้วเขานั่งประโยงแล้วพระศัสดาได้ทรงโยนผ้าสะตกะสําหรับอาบน้ําไปให้เขาเขานุ่งแล้วถวายบังคมพระศาสดาทรงตรัสอนุปปภิกถาแสดงแก่เขาในการจบเทศนาเขาบารรลุอรหัต ร้อมปฏิสัมพิทาทูลขอบรรพชาและอุปสมบทพระสัสดาทรงเหยียดพระหัตต์เบื้องขวาออกตรัสกับชัมภูกานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดจงประพฤติพรหมจรรย์เถิขดขณะนั้นเองเพศเขร้รหัดของเธอหายไปแล้วเธอเป็นผู้ทรงบริคารแปดได้เป็นประดุษพระเทระมีพรรษาหกสิบแล้วทรงตรัสพระคาถาว่า คนพาลพึงบริโภคโภชนะด้วยปลายยาคาทุกๆเดือนเขายอมไม่ถึงเซี่ยวที่ส6หแห่งท่านผู้มีธรรมะอ น, นับได้แล้วตั้งแต่มีธรรมะอ น, นับได้เบื้องต่ำมีพระโสดาบันบุคคลถึงเบื้องสูงมีพระอารหันตบุคคลเป็นต้นคนพาล น, นั้นย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16หของท่านผู้มีธรรมะอ น, นับได้แล้วเหล่านั้น ในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์ 84,000 แล้วดังนี้แหละ